สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสบายสบายกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะโดยมีดิฉันอา ร, รยาสุวิเศษศักดิ์เป็นผู้ร่วมดําเนินรายการนะคะน้ำมศการพระอาจารย์จ้าค่ะเจริญพรค่ะเนื่องจากต้องบอกว่าช่วงเดือนสิงหาคมเป็นห่วงของงานวันแม่แห่งชาติซึ่งเพิ่งผ่านไปสดสดร้อนๆ น, นะคะเมะนนื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราอัดรายการหลังจาก งานวันแม่แห่งชาติผ่านไปก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ในเรื่องของที่เกี่ยวกับแม่ก็แล้วกันก็คืออยากจะให้พระอาจารย์พูดถึงพระคุณของแม่หรือว่าในฐานะที่เราเป็นลูกเราควรจะตอบแทนบุญคุณแม่ได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็เป็นหน้าที่สการเนาะเจ้าค่ะหน้าที่สกา ก็ถ้าเราดูในทีวีก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับวันแม่เนี่ยมากมายเลยทางตรงน้นตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมคือเราก็โดยมากก็กลับบ้านาพาแม่ไปทานข้าวบ้างหรือว่าทาอะไรซื้อของขวัญให้บ้างก็ทำอะไรที่มันเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นพิเศษ<น>เป็นพิเศษ ก็ทำให้แม่เราเนี่ยได้รู้สึกถึงว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้คําว่าเป็นผู้ที่กตันอยูแล้วก็บางคนก็มีหลังๆนี้เราจะเห็นนะมีกิจกรรมมาเอาพวกมันไล่ไปไหว้แม่หรือไม่ก็ทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่มันได้แสดงความกระตัญอยูกระตับไปทีกับมารดาของเราเจ้าค่ะทีนี้ แล้วสิ่งที่พระเจ้าว่าไว้เนี่ยเกี่ยวกับแม่กับลูกเนี่ยพระเจ้าว่าไว้อย่างไรบ้างอถ้าตัวเราเนี่ยพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องของทิศหกน ะ, ะมัรดาบิดาเนี่ยท่านก็เปรียบไว้ว่าเป็นปรุรัิมณฑลแล้วก็ได้อะระ บ, บุไว้ด้วยว่ามัรดาบิดาเนี่ยควรจะปฏิบัติ ต, ตอบดอย่างไรบ้างแล้วก็ บุตรเนี่ยควรจะปฏิบัติต่อบิดามารดาอย่างไงบ้างสิ่งที่ผู้เจ้ามาไว้อย่างนั้นเราก็มาดูกันก่อนว่าถ้าแม่หรือบิดามารดาเนี่ยคือสองสองคนเลยแหละก็มีหน้าที่เหมือนกันที่ปฏิบัติกับลูกท่านว่าอย่างไงไว้บ้างเจ้าค่ะท่านบอกว่ามัรดาบิดาเนี่ยก็ควรจะปฏิบัติกับบุตรเนี่ยห้าอย่างห้าอย่างนั้นมีอะไรบ้าง ก็คือให้ห้ามเสียจากบาปหนึ่งแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีหนึ่งให้ศึกษาศิละปะหนึ่งแล้วก็ให้มีคู่ครองที่สมควรหนึ่งดงสุดท้ายก็คือมอบมรดกให้ตามเวลาแล้วก็สิ่งที่ลูกเนี่ยควรจะปฏิบัติต่อ แม่และพ่อเนี่ยก็คือว่าห้าอย่างเหมือนกันในห้าอย่างนี้มีอะไรบ้างก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเวลาท่านเลี้ยงเราแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเลี้ยงท่านต่อเหมือนกันข้อที่สองเนี่ยก็คือเราก็ดูแลทำกิจการงานของท่านนะข้อที่สามก็คือว่าเราก็ดํารงวงตระกูลด้วยนะข้อที่สี่ก็คือเราจะปฏิบัติต้นเป็นทายา แล้วก็ข้อที่5เนี่ย ข, ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเวลาท่านทำกาละไปแล้วกาละเนี่ยก็แปลว่าล่วงรับไปแล้วนะคือตายไปเราก็จะทําการอุทิศทําการทักศินาให้ท่านก็คือทําบุญไปให้ท่านนั่นแหละหลังจากที่ท่านตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วอันนี้คือข้อที่พระเจ้าเนี่ยวางขอบขายไว้ให้ระหว่างบุตรกับบรรดาบิดา ซึ่งถ้าใครได้ทำตามนี้แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่ า, าทิศเบื้องขวาเนี่ยเป็นอันกุลบุตรเนี่ยได้ปิดไว้แล้วได้ปกป้องไว้ดีแล้วเป็นทิศอันกเกษมแล้วก็จกไม่มีภัยในภายหน้าหมายถึงว่าถ้าเราทำตามห้าข้ออย่างตามพุทธธรรมรัตเนี่ยก็หมายความว่า เราจะเราจะไม่มีภัยหมายมถึงว่าเราทําหน้าที่ลูกของเราได้ดีที่สุดก็จะไม่มีเรื่องเดือดร้อนนี่แหละนะหมายความว่าถ้าเราบอกว่าถ้าในหน้าที่ของพ่อแม่ที่ข้อแรกเนี่ยก็คือไม่ห้ามลูกเสียจากบาปเนี่ยแน่นอนลูกก็ไปเกเรอ่าไปฉกจิงวิ่งราวคุยง่ายคือไปทําอกสุรละกรันต่างๆแน่นอนมันก็มีเรื่องเดือดร้อนเข้าบ้านตลอดเวลาเพราะนั้น แน่นอนมันก็คือว่าบ้านก็ไม่ร่มเย็นบ้านก็ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตรงนี้ได้หมายถึงว่าแม่พ่อเนี่ยป้องกันห้ามลูกจากการทำบาปได้เนี่ยเรื่องเดือดร้อนภัยต่างๆที่มันจะตามมาเนี่ยก็จะน้อยลงแล้วพระเจ้าเนี่ยฉลาดมากนะห้ามเสียจากบาปแล้วเนี่ยยังต้องให้ตั้งอยู่ในความดีด้วยคืออา่า ไม่ทําเรื่องไม่ดีเนี่ยแต่เราก็ต้องทําเรื่องดีด้วยอย่างเช่นมีเมตตามีเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นเนี่ยการที่เราไม่ทําบาปแต่เราไม่ทําความดีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราย่ําอยู่กับที่นะชีวิตมันก็จะไม่เจริญก้าวหน้านะเพราะนั้นเราทําความดีด้วยตั้งมั่นในการงานขยันขันแข็งมีเมตตามีความอดทนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เครียกว่าตั้งอยู่ในความดีให้มีความรับผิดชอบเนีก็คือให้ตั้งอยู่ในความดี เพราะนั้นถ้าเราสอนลูกให้ลูกเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรอดทนมัธยัสถ์ประหยัดนี่แหละเรียกว่าห้ามลูกห้ามภัยที่มันจะเกิดได้กับลูกของเราการที่เร า, า ส, สั่งสอนส่งเสริมให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรื อ, อเป็นคนไม่อดทนเป็นคนขี้เกียจขี้คลานเนี่ยแน่นอนในอนาคตเนี่ยมันก็อยู่ลาบาก ทำ<ช>การงานก็ลําบากมีเพื่อนคบกันก็ลําบากเพราะฉะนั้นแค่สองข้อเนี่ยโอ้ยชีวิตของลูกเราเนี่ยจะเจริญมากเลยห้ามเสียจากบาปได้ไดหนึ่งอย่างห้ามเสียจากบาปได้แล้วเนี่ยก็ให้เขาทําความดีด้วยรู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็อะไรที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ทําอะไรที่มันดีแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกเราเนี่ยทําจะเป็นนิสัยนี่แหละอีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้ศึกษาศิลปะวิทยาเลยนะก็คือให้มีความรู้เพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาไปเลี้ยงชีพได้พดง่ายๆคือว่ามีวิชาชีพแล้วก็ถ้ามันให้มันเป็นไปตามมักแปดเนี่ยเราต้องพูดว่าเป็นสัมมาอาชีพก็คือมีอาชีพที่ชอบไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็เรี้ยงดูเนี่ยได้เอาศิลปะวิทยาเหล่านั้นเนี่ยมาศึกษาจนช่ำนิยนเอาไปใช้ หาเลี้ยงชีพได้โดยที่เราไม่เบียดเป็นใครแล้วเราก็กเขาเรียกว่าเป็นอยู่มีชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยอาชีพนั้นแหละเป็นต้นอันนี้ก็สำคัญอีกข้อหนึงน ะ, งะที่ว่ามีคู่ครองที่สมควรด้วยให้คู่ครองที่สมควรแล้วยังไงถึงเรียกว่าคู่ครองที่สมควรละ่ะก็ต้องเป็นคู่ครองที่เป็นคนดีแล้วอะไรถึงเรียกว่าคนดีละ่ะ ก็ก็ไม่ทำบาปแล้วก so ็ต like. ั้งอยู่ในความดีไงเจ้าค่ะก็คือโดยมาก่ยนะถ้าเราดูมองภาพในสังคมชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม่ผัวพ่อผัวก็อาจจะไม่ค่อยชอบลูกสะั้ยเท่าไหร่หรือแม้แต่ตอนยังไม่แต่งงานเนี่ยลูกพาแฟนเข้าบ้านเนี่ยพ่อแม่ก็จะมีบางส่วนที่อันนี้ คนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีลองมาคบคนนี้ดูสินี่แหละมันเป็นภาพที่เราเห็นจนชินตานะของจริงก็มีในละครก็มีเพราะนั้นแล้วอันเนี้ยผู้เจ้าวางกรอบไว้ด้วยนะให้ให้กับพ่อแม่ด้วยว่าเราจะคัดกรองยังไงหรือถ้าเราหามาเนี่ยลูกเราไม่ชอบแหละเราจะทำยังไงทีนี้ ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสังคมของเรียกว่าคลุมถุงชน น, นะนะ <Okay. S 1> พ่อแม่ก็จะมีความเป็นใหญ่ในการที่จะเลือกคู่ครองให้แต่ถ้าเราเอามาประยุก์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าคือมันเป็นสังคมที่ไม่ได้คลุมถุงชนแล้วล่ะเราก็เปิดโอกาสให้ลูกๆเนี่ยได้ไปหาคู่ครองของตอนเองแต่สิ่งหนึ่งที่ให้เขาหาเองแล้วเนี่ย แล้วข้อนี้ข้อนี้ก็คือว่าหาให้คู่ครองที่สมควรเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ต้องทำหรอไม่ใช่นะพ่อแม่ก็ยังต้องทำอยู่เพียงแต่ว่าเราก็คอยดูว่าคู่หรือคนที่ลูกชายลูกสาวเราเลือกเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเขามีศีลไหมเขามีจารักไหมคุยง่ายคือเขาไม่ทำบาปแล้วเขาก็ตั้งอยู่ในความดีตั้งอยู่ในความดีคือว่า เขามีกุศล เ, เขามีศีลมีจาคะมีศรัทธามีปัญญาเหล่าเราียเป็นตน้นถ้าเขาผ่านเกณฑ์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีที่ลูกชายเราก็ดีหรือลูกสาวเราก็ดีเนี่ยได้เลือกดีแล้วแล้วก็สนับสนุนแต่ยมว่ายากมากนะเจ้าคะที่ในสมัยปัจจุบันนี้ลูกจะชอบแล้วก็พ่อแม่จะชอบ ต้องผ่านการคัดกรองแบบนี้มั น, มนชีวิตจริงมันลําบากบบกันนะจ๊ะมันกเ็เขาเรียกว่าถ้าใครทําได้เนี่ยก็เป็นทิศที่เราเดี่ยปิดป้องไว้ดีแล้วเป็นทิศที่ไม่มีไฟเกิดขึ้นในภายหน้าได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่สําคัญของการที่เราจะคัดกรองเนี่ยพุทเจ้าก็ให้มาตรฐานไปแล้วอย่างที่ว่าไว้เมื่อกี้นี้แต่โดยมากเนี่ยพ่อแม่เนี่ยใช้มาตรฐานตามใจฉันนะ คือคนนี้ฉันถูกใจคนนี้มีฐานะที่เหมาะสมร่ํารวยเป็นต้นซึ่งอันเนี้ยมันไม่อยู่ในเกณฑ์ที่พุทธเจ้าว่าไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจ ะ, ะใช้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยคือใช้มาตรฐานตามที่พุทธเจ้าว่าไว้เนี่ยจะปลอดภัยแต่ถ้าใช้มาตรฐานตามใจฉันเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่รับรองนะว่าเป็นทิศ ท, ที่เราปกป้องไว้ดีแล้วเป็นทิศ ท, ที่จะไม่มีภัยเกิดขึ้น ทิศอันกเกษมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ลูกเราเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายในเบื้องต้นในถ้มกลางและในที่สุดของชีวิตการแต่งงานเนี่ยเราก็ควรจะใช้เกณฑ์ที่ผู้เจ้าเนี่ยได้มอบไว้ให้ก็คือให้เขาเป็นคนดีถึงเขาจะจนแต่เขามีความขยันขันแข็งมีความหมั่นเพียรมีศรัทธามีการบริจาคและมีปัญญาเนี่ยแน่นอนว่า อยู่่กันไปเนี่ยมันไม่อดตายหรอกความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมันก็ต้องมีได้คนมีปัญญามันก็ต้องรู้จักที่จะหาเลี้ยงหาอยู่เพราะนั้นทรัพย์ที่มีน้อยก็ทำให้เกิดมีมากได้ทรัพย์ที่เกิดมีแล้วก็รักษาได้ไม่ทำให้มันสูญเสื่อไปเป็นต้นนะเจ้าค่ะสี่ข้อแล้วเจ้าค่ะสี่ข้อข้อสุดท้ายก็คือให้มรดกนะให้มรดกตามการ หมายความว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเรี่ยวแรงของของเรามันก็หมดลงอะนะเวลาคนเราไปถึงอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยกาลังใจกําลังกายที่มันจะมาต่อสู้ทํางานเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าเป็นวัยชราพอวัยชราตรงนี้มันก็น้อยลงอะนะเพราะนั้นมันถึงหน้าที่แล้วละ่ะที่เราควรจะส่งมอบส่งต่อให้ ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มาสานต่อแล้วมันเป็นวัยพักผ่อนแล้วละ่ะอย่างจะให้คนเจ็ดสบแปดสิบมาทํางานเหมือนคนยี่สสิหามรุ่งหามค่ําเนี่ยมันลําบากแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นมันถึงวัยที่เรามีกิจการการงานอะไรเนี่ยเราก็ควรจะแบ่งเบาไปให้มอบให้ลูกเราทําให้ลูกเราเนี่ยมีการที่ได้รับผิดชอบในเบื้องต้นพอถึงเวลาที่มันควรเนี่ยก็คือก็มอบให้เขาไปทําต่อซะ เราก็จะได้อยู่พักผ่อนสบายๆแล้วก็เป็นการที่เขาก็จะได้ตอบแทนเราด้วยกระวกกลับไปที่ว่าหน้าที่ของลูกเนี่ยที่มีต่อมันดาบิดาก็คือท่านเลี้ยงเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบด้วยท่านถึงวัยที่พักผ่อนเราก็ควรจะให้ท่านได้พักผ่อนแล้วละ่ะแล้วเราก็ดูแลเลี้ยงท่านแทนนะแล้วการดูแลเลี้ยงเนี่ยก็ ก็มีหลายอย่างนะจะค่ะแบบส่งๆก็มีนะคือบางคนเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าเลี้ยงตามสภาพเพราะว่าแต่ละคนมีฐานะหน้าที่การงานก็แตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ละครอบครัวก็จะมีลูกๆเองเนี่ยก็คงจะมีวิธีหาเลี้ยงชีพที่ต่างกันบางคนก็บอกว่าฉันมีเงินเดือนแค่นี้แหละฉันก็แบบว่าอาจจะเลี้ยงดูท่านได้ไม่มากนะัก แต่ก็รู้สึกว่าได้ทําแล้วอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็น่าจะมีความคิดอย่างนั้นอย่างเช่นเพื่อนของโยมเนี่ยก็ได้คุยกันหลายๆคนแต่ละคนก็ก็จะมีเกณฑ์ของตัวเองที่ที่มีมาตรฐานของตัวเองที่ไม่เหมือนกันนะจ๊ะค่ะคือถ้าเรามองเนี่ยแล้วเราใช้มาตรฐานอย่างเดียวที่เรามีมีกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือมาตรฐานคือตัวเงินเนี่ยนะ มันก็ทำให้อะไรๆมันขาดไปะนะชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เงินเป็นสิ่งสำคัญนะแต่เงินเนี่ยมันเป็นแค่เหตุปัจจัยที่ทำให้ชีวิตมันสบายแต่มันไม่ได้ทำให้สบายได้ทั้งหมดหมายความว่าเงินเนี่ยมันก็ทำให้สบายทางภายนอกบางครั้งก็ส่งผลให้สบายเข้ามาในภายในได้บ้างแต่สิ่งสำคัญคือคนเราเนี่ยความสุข ที่มันมีเนี่ยคนเราต้องการความสบายใจมากกว่านะความสุขทางด้านจิตใจเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันมันละเอียดประณี่ที่ใครๆก็อยากได้ถึงแม้ว่าจะมีความสุขทั้งร่างกายมากมายขนาดไหนกินอิ่มนอนหลับอาหารดีได้พักผ่อนอย่างดีมีข้าทาบริวารมากมายมีทรัพย์สินใช้สอยมากมายแต่เราไม่มีความสุขทางใจเลยเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้แหละชีวิตมันก็อยู่ไม่ได้ เพราะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความสุขที่ทั้งร่างกายเนี่ยมันก็พอไปได้หมายความว่าปจัจจัยสเนี่ยเราก็มีได้อย่างพอเหมาะพอสมกับฐา น, นะของเราแล้ว ก, วก็เราก็มีความสุขทางด้านจิตใจด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ ท, ที่มันมันดีมากที่ใครๆก็อยากจะได้ในความสุขทางใจเพราะฉะนั้นเราควรจะลิงก์ดูพ่อกับแม่เราเนี่ยให้ได้คือหนึ่ง ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมากมายเป็นพันล้านหมื่นล้านหรอกก็ขอให้ว่าให้มันสมเหมาะสมกับฐานะที่เป็นอยู่อย่างเช่นเขามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนแล้วสิ่งที่เขามีตางที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันเพียงพออันนี้มันก็พอแล้วนะหรือว่าเขาอาจจะได้มากเพิ่มอีกนิดนึงให้ว่ า, าใช้จ่ายเท่านี้ แล้วก็หารายได้ที่เราให้ด้วยบอกไปบอกมามันก็เกิดมานิดหนึ่งแล้วก็มีส่วนที่ว่าเขาจะได้มีปัจจัยไปทําบุญบ้างมีปัจจัยเก็บบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทําให้มันมันพอในส่วนตรงนี้นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทอํายังไงก็ได้ให้เขาสบายใจนะให้เขามีความสุขทางใจเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้สําคัญ เราจะทํายังไงเราจะอยู่ยังไงเราจะปฏิบัติต่อเขายังไงเนี่ยให้เขามีความสุขทางใจเกิดขึ้นนี่ยนะไม่ใช่ว่าบางคนให้เงินแต่เดือนเดือนเดืนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ให้เวลาไม่ได้ให้เวลาไม่เคยกลับบ้านอยู่ที่ทํางานหรือไม่ว่าบ้านไกลก็ไปหาคอนโดอยู่เดือนเดือนหนึ่งไม่เคยกลับบ้านเลยแน่นอนว่าพ่อเป็นแม่นะเขาก็อยู่กับเรามาตั้งไม่รู้เป็นกี่สิบ ป, ปีนะกว่าเราจะได้แยกย้ายออกไปอยู่ของเราอย่างเงี้ยนะ มันก็แน่นอนความผูกพันความคิดถึงเนี่ยมันตัดไม่ขาดหรอกต่อให้อยู่ไกลแสนไกลขนาดไหนเนี่ยเราก็ยังเป็นลูกเขาเขาก็ยังคิดถึงเราอายุมากแค่ไหนแล้วพ่อแม่ก็ยังเห็นเราเป็นเด็กอยู่เสมอนะเจ้าค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นความคิดถึงเนี่ยความผูกพันความคิดถึงแล้วคิดถึงมันต้องตอบสนองด้วยการที่เขาได้ไดรับรู้ได้รับความรู้สึกว่าหนึ่งเราห่วงใ ย, ยเขา เรากลับมาให้เขาเห็นหน้าบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันจะถึงถึงทำให้ความทุกข์ที่มันมาจากความคิดถึงตรงนี้เนี่ยมันได้จางคลายไปความสุขที่ได้เกิดจากการที่เขาเห็นหน้าจากคนที่เขารักเขาคอยดูแลมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยก็จะได้ความสุขตรงนั้นจากที่เราได้มาอยู่ใกล้เขาได้คุยได้พูดคุยหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเนี่ยนี่สำคัญเพราะนั้นมันก็เป็นโอกาสดีที่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ย ปีปีหนึ่งเนี่ยเราก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราตกลงกันนะเป็นค่านิยมที่ที่ดีที่ว่าปีหนึ่งวันพ่อก็ดีวันแม่ก็ดีหรือวันตรงกลางก็ดีเนี่ยเราก็ได้กลับบ้านได้มาอยู่กับครอบครัวได้มาอยู่กับพ่อแม่พ่ปะพี่น้องซึ่งมันทำให้ครอบครัวเนี่ยดูอบอุ่นะนะเพราะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นครอบครัว อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยโอ้ยเขามีความสุขมากคือในสังคมปัจจุบันนี้ยอมเชื่อว่ า, าลูกๆ ก, ก็คงจะขาดหรือว่าไม่ได้ลืมคิดเรื่องเรื่องพวกนี้ไปก็คือจริงๆแล้วนอกจากการเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยการตอบแทนด้วยปัจจัยสี่อย่างที่พระอาจารย์ผู้เมื่อสักครู่นี้นะเจ้าคะ่ะคือเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจที่ ที่ยิ่งคนสูงอายุแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะเหงาหรือว่าต้องการให้ลูกๆมาอยู่รวมกัน<ม>ได้มีกิจกรรมร่วมกันอ<ม>แต่ก็ก็จำว่าก็ดีเนื่องในเทศกาลวันแม่เนี่ยนะคะหรือวันพ่อก็ตามในปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งเนี่ยหลายๆคนถ้ายังไม่เคยทําก็อยากจะให้อา่ามันเป็นวันที่พิเศษแล้วก็วันวันพ่อก็อยากให้พ่อเขารู้สึกว่าเขาพิเศษกว่าทุกวันหรือวันแม่เนี่ยอยากให้เขาพิเศษกว่าทุกวันจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะ ทำดีกับเขาทุกวันนั่นแหละแต่ว่าวันนี้อาจจะมีพิเศษนิดนึงอาจจะมีกิจกรรมเพิ่มมาเช่นให้พวงมาลัยแม่กราบขอขมาพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย น, นะคะซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเองเนี่ยที่บ้านโยมเนี่ยก็ไม่เคยทำนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ก็จะรวมกันกันกบพี่พี่แล้วก็ทํากิจกรรมเนี้ยให้เขารู้สึกว่าวันนี้คือวันพิเศษของแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สุขใจมากนะเจ้าคะ่ะคือ อันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะที่ดีมากหมายความว่ามันเป็นเหตุอะให้เราได้ทำพอเราได้ทำอยู่บ่อยๆในความเขินอา ย, ยมันก็จะน้อยลงใช่จากการที่เราไม่เคยทำเลยแล้วว่าจะคิดทำครั้งแรกเนี่ยมันมันเขินมากมันเขินมากเลยสำหรับการทำครั้งแรกซึ่ ง, ซ, งซึ่งเราเริ่มต้นกันที่บ้านเนี้ยนะคะอืมอแต่ว่าพอหลังจากที่ผ่านครั้งแรกมาแล้วเนี่ยก็ก็จะทำกันมาเรื่อยๆกลายเป็นเป็น เป็นความเคยชิน<ต>หมว่าไม่เขินละแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ทําเนี่ยก็คือเราอยากทาให้มันเป็นความชินชาสักแต่ว่าทําำนะใช่จ้ะค่ะเราต้องมีความตั้งใจแล้วก็เรารู้วัตถุประสงค์นี่ว่าเราทำเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าสักแต่ให้มันได้ภาพลักษณ์ที่ที่ควรจะเป็นจริงๆวัตถุประสงค์ของการที่เร า, าถือดอกไม้ก็ดี หรือทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็คือมันย้อนไม่ถึงจิตใจแต่ละถ้าเราทําแล้วมันยังมันเข้าไม่ถึงใจนะแสดงว่ามันก็ยังไม่วดัดสำเร็จวัตถุประสงค์อะนะหมายความว่าเราเอาพวงมลาลัยดอกไม้ไปกราบขอขามาคุณพ่อคุณแม่ก็ดีเนี่ยถ้าเรากราบขอขามาแล้วใจเราไม่ได้ขามาไปด้วยนะก็ยังไม่สําเร็จแล้วก็ความซาบซึ้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่พ่อแม่เนี่ยเห็นเราทําด้วยจิตใจจริงๆ กับทำที่เห็นว่าเป็นค่านิยมเนี่ยความรู้สึกมันมาสัมผัสกันได้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจทําทําด้วยใจทําด้วยความตั้งใจเนี่ยมันจะสื่อกันได้แล้วพระเจ้าเนี่ยตรัสไว้ยังไงบ้างกับการที่เขาเรียกว่าลูกเนี่ยที่พอจะตอบแทนกับแม่กับพ่อได้นะการที่เราทําอย่างเนี้ย การให้เลี้ยงดูด้วยปัจจัยสีแล้วก็ทำอะไรต่างๆให้เนี่ยมันยังเขาเรียกว่ายังไม่พอนะพเจ้าใช้คำว่าไม่พอที่จะชื่อว่าจะตอบแทนได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามาดาบิดาเนี่ยเป็นผู้มีอุปการะมากเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ได้เพราะ มีแม่กัมีพ่อนะไม่งั้นเราก็เกิดมาไม่ได้เพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหลายที่เราหาได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากท่านทั้งนั้นแหละนะไม่ว่าจะเป็นศิล ป, ปะวิทยาที่เราได้มาก็เพราะว่าท่านให้มาเงินต่างๆที่เราได้มาจากศิล ป, ปะวิทยาที่เรามีความรู้เอามาใช้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือมันก็มาจากท่านนั่นแหละนะท่เปลี่ยนไปว่าให้เอาพ่อแม่นะมาวางไว้มาให้อยู่บนบ่าเรา ข้างซ้ายให้แม่อยู่ข้างขวาให้พ่ออยู่ไงนะแล้วก็บำรุงเลี้ยงดูอย่างดีนวดเฟ้นอย่างดีให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าเราเลยตลอดร้อยปีเนี่ยโห้ยอย่างนี้มันเป็นการอะไรที่ทําได้ยากมากนะท่านเปรียบเทียบว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากแล้วก็ทำเนี่ยตลอดหนึ่งร้อยปีคือตลอดชีวิตของท่านเลยเนี่ยทําจนถึงขนาดนี้เนี่ยยังไม่ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ พก่ยการตอบแทนบุญคุณได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ท่านเปรียบเทียบไว้คือเหมือนกับว่ายกท่านทั้งสองเนี่ยให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติมีเงินทองมีความสุดวกสบายเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยเป็นระดับพระเจ้าจักรพรรดิเลยสถาปนาอิสริ ย, ยยศให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยก็ยังไม่สามารถที่จะพอที่จะตอบแทนบุญคุณได้ แล้วอะไรล่ะที่ท่านว่าพอจะเป็นที่ตอบแทนได้บ้างนะพอได้ชื่อว่าพอจะตอบแทนได้บ้างท่านก็บอกว่าบุตรคนใดเนี่ยที่ทําให้มารดาผู้ที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาได้เนี่ยหมายถึงว่าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะทําให้มารดาบิดาที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาได้ก็พอที่จะตอบแทนบุญคุณได้ มัดาบิดาที่ทุศีลก็ให้เปลี่ยนกลับมาเป็นคนที่สมาทานศีลตั้งมั่นในศีนได้นี่ก็ชื่อว่าพอจะตอบแทนได้แล้วก็ให้มันดาบิดาผู้ที่มีความตระหนี่เนี่ยให้มาเป็นผู้ที่สามารถที่จะตั้งมั่นในการที่จะบริจาคฐานได้นี่ก็พอที่จะตอบแทนกันได้เร่างสุดท้ายก็คือว่า ยังบรรดาผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ยให้มันมีปัญญาได้ปัญญานี้ก็หมายถึงปัญญาในทางที่ว่าเห็นตามความเป็นจริงเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางได้อันนี้นะถ้าทำให้ท่านเห็นอย่างนี้ได้มีปัญญาอย่างนี้ได้เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นบุตรที่สามารถที่จะพอที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้มันยากมากนะเจ้าค่ะคือหลายๆคนคงคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะว่า หน้าที่ในแต่ละวันของของเราก็คือทํางานแล้วก็มีปัจจัยเพื่อลิงดูท่านให้เวลาท่านแต่ว่ายังตอบแทนบุญคุณไม่หมดเลยนะจริงๆแล้วคือต้องทําให้ท่านมีศีลมีธรรมนั่นถึงจะเรียกว่าตอบแทนบุญคุณสูงสุดใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วทําไมมันถึงว่าปัจจัยศีที่เราให้กับสิ่งที่ว่าว่าไปเมื่อกี้คือให้มีศรัทธาให้มีศีลให้มีการบริจาคหรือว่าให้มีปัญญาเนี่ย ทำไมอันนี้ถึงดีกว่าทำไมมันถึงดีกว่าล่ะให้ตังค์ไม่ดีกว่าล่ะมีกินอิ่มนอนหลับไปเที่ยวช้อปปิ้งน่าจะดีกว่านะก็มันถ้าพูดถึงมันเป็นชีวิตแบบโลกโลกนะเจ้าค่ะคือการที่ว่าเราให้ปัจจัยสี่ให้ตังค์ไปใช้ให้ที่อยู่ให้บ้านใหญ่ๆโตๆอย่างนี้นะมันก็เป็นแค่เครื่องไายนอกนะมันยังไม่ได้สะท้อนเข้าไปถึงในใจทีนี้ถ้าเรามองให้มันเห็น มากขึ้นกว่านี้อีกเนี่ยสิ่งที่เราให้เนี่ยอย่างแรกเนี่ยปัจจัยศีกด็ดีอะไรต่างๆตรงนี้นะเป็นแค่ว่าสมบัติภายนอกแต่สิ่งที่พูดอันหลักเนี่ยก็คือว่าให้มีศรัทธาให้มีศีลให้มีการบริจาคและให้มีปัญญาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยพ้นจากอบายไปได้ ไม่สามารถที่ทำให้เขาเรียกว่าอนาคตของพ่อกับแม่เราเนี่ยเป็นอนาคตที่ดีได้อย่างมั่นคงได้อย่างถาวรได้ถ้ า, าเราให้เงินให้ทองให้ที่อยู่ให้บ้านให้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านตายไปทั้งอับไปไม่ได้แล้วสิ่งที่มันจะติดตามท่านไปได้มันมีแค่บุญกับบาปเจ้ะบุญกับบาปที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยแหละ ที่มันจะติดตามเราไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นการการันตีอะไรเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการทำให้บุญที่มีอยู่ในใจของท่านเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือบาปที่มีอยู่ในใจเนี่ยลดลงมันก็ยังเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ว่าเขาอยากจะทำบุญเขาก็ทำบุญหรือเขาอยากจะทำบาปมันก็ทำบาปแต่โดยมากแล้วเนี่ยคนทาบาปเป็นนิสัยมากกว่าทาบุญเป็นนิสัย จิตใจของคนเราเนี่ยท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนน้าธรรมชาติมันไหลลงต่ําำนะถ้าเราปล่อยน้ําทิ้งไว้เนี่ยยังไงซะมันก็ต้องไหลลงมาสู่ที่ต่ํา <Okay. S 1> จิตใจเราก็เหมือนกันเพราะว่าใจเราเนี่ยนายคลองใจของเราก็คือกิเลสธรรมชาติกิเลสมันทําให้ใจเรามันคิดพูดทําเนี่ยไปในทางที่ก่ อ, กอบับอกุศลเพราะฉะนั้นเราเนี่ยให้ ท่านเนี่ยได้มีศรัทธาได้มีศีลได้มีการบริจาคแล้วได้มีปัญญาใคร่ครวนําความเป็นจริงเนี่ยมันทําให้จิตใจเนี่ยเป็นจิตใจที่เจริญเป็นจิตใจที่กิเลสเหล่านี้มันจะเบาบางแล้วก็เป็นจิตใจที่ทําให้ธรรมะเนี่ยจเจริญผ่องใสเพราะนั้นมันเป็นการที่เราเนี่ยสร้างสมบัติอันดีอันเลิศทั้งในภพนี้และในภพหน้าให้กับมารดาพิดาของเรา เพราะนั้นท่านจึงพูดว่าบุตรคนไหนเนี่ยที่สามารถทําให้พ่อแม่ที่ไม่เคยมีศีลทุศีลได้มาสมาทานศีลได้หรือไม่เคยบริจาคก็ให้มาบริจาคได้หรือไม่มีศรัทธาให้มามีศรัทธาได้หรือไม่เคยเห็นตามความเป็นจริงเลยมีปัญญาไม่เห็นตามความเป็นจริงได้บุตรผู้นั้นแหละเป็นบุตรที่ประเสริฐมากเป็นอภิชาตตะบุตรนะ ค่ะโยมก็ดีใจที่เราดำเนินชีวิตมาถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเพราะได้ได้ตอบแทนพ่อแม่แบบตามหลักของพระพุทธเจ้าก็คือการให้ธรรมะการสร้างความศรัทธาแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ให้เขาสั่งสมอริยทรัพ์เพื่อ อ, อนาคตต่อไปแต่โดยมากเนี่ยบางคนก็จะบอกว่า มันเป็นเรื่องยากนะให้คนที่ไม่เคยมีศีลให้มามีศีลให้คนที่ไม่เคยบริจาคให้บริจาคให้คนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาเนี่ยให้คนที่เขาไม่เคยเห็นตามความเป็นจริงให้มาเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันลําบากนะเจ้าค่ะมันลำบากไม่เถียงเลยนะมันลําบากแต่เราก็ต้องเป็นคนที่ข้นขวายเนี่ยของดีต้องทํายากไป็ธรรมดาแต่ท่านทําได้แล้วนี่มันดีมากแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ที่ฉลาด ในอุบายด้วยในอุบายที่เราจะทํำยังไงเนี่ยให้เขามาทางนี้ได้เราต้องเป็นผู้ที่รู้เนี่ยรู้จักช่องทางรู้จักว่าอุปนิสัยเขาเป็นยังไงเหตุปัจจัยอะไรตอนนี้บ้าที่เป็นอุปสรรคเราก็ต้องค่อยๆกําจัดอุปสรรคไปทีละอ ย, อ, อ, ยอย่างสองอย่างอย่างสองอย่างเพื่อให้เขาได้มาทําในสิ่งที่มันดีเพราะฉะนั้นลูกที่ดีเนี่ยต้องเป็นลูกที่อดทนแล้วก็อ่า มีเขาเรียกว่ามีความตั้งมั่นไม่ท้อแท้แล้วก็มีความเพียรที่จะคอยชักจูงพ่อแม่เราอยู่เรื่อยๆเนี่ยให้ท่านมาปฏิบัติธรรมให้ท่านมีสีให้ท่านมีศ ร, รทัทธาให้ท่านมีปัญญาอย่างคนที่ไม่เคยเข้าวัดก็ยังไม่ต้องให้เข้าวัดหรอกก็ให้อาหารทําบุญใส่บาตรเป็นเบื้องต้นไปเนี่ยนะแล้วถ้ามีเวลาก็พักวัดบ้าง แล้วเราก็พอพาเาวัดเนี่ยเราก็พาไปหาครูบาอาจารย์ที่ดีๆให้ท่านได้คุยธรรมะให้ฟังพอคุยธรรมะหรือคุยที่เขาเห็นแล้วว่าเขาเข้าใจนะการคุยกันเนี่ยการสั่งสนทนาเนี่ยมันเป็นเหตุเบื้องต้นของศรัทธานะเจ้าค่ะการที่เราคุยกันแล้วเราโอ้ใช่เลยจริงเลยมันใช่แหละนี่แหละศรัทธามันก็เกิดตรงนี้แหละพอศรัทธาเกิด แน่นอนว่ามันก็อะไรอะไรมันก็ตามมานะศีลก็เกิดได้เพราะว่าเรามีความเชื่อมัน่นเรามีความตั้งมัน่นสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็จะเกิดมาตามทาง ม, มาเลยแล้วการที่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไ ป, ป, ไปเกิดได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา โอ้ยนี่มันดีมากหมายความว่าถ้าดวงตาเห็นธรรมก็คืออย่างน้นอยๆเนี่ยเขาได้ประสบดาบบานขึ้นมาเลยนะเขาก็ไม่ไปตกในอบายอีกเลยเนะี่ยเขาเรียกว่าปากประตูในโลกในปิดเลยนะปากประตูของอบายในปิดไปเลยเพราะฉะนั้นอนาคตเบื้องหน้าที่เขาจะมีไปได้เนี่ยก็คือสุคติเท่านั้นมีมนุษย์มีเทเวดาแล้วก็มีสัพพมโลก แต่ถ้าเกิดดีจนไปถึงสุดท้ายปลายทางสามารถที่จ ะ, ะกาจัดเอากิเลตออกไปหมดได้แน่นอนว่าเขาก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกกลับมาทนทุกข์อีกแต่ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเนี่ยสิ่งที่เขาได้เนี่ยคือเขาเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่มีทุกข์เลยนี่แหละเป็นความสมบัติอันมีค่าที่เราได้มอบให้เขาอะนะความเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์อยู่ในใจเนี่ย นี่เป็นสมบัติที่เงินก็หาซื้อไม่ได้แล้วก็เป็นสมบัติที่ทุกตัวสัตว์เนี่ยก็แสวงหาสิ่งนี้แหละนั้นก็ถ้าเกิดว่าลูกคนใด อ, อยากคิดที่จะดูแลพ่อแม่ตอบแทนพ่อแม่เนี่ยก็อยากให้คำนึงถึงสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยได้ว า, าไว้ด้วยนอกจากการที่เราได้รับรู้รับฟังในสิ่งที่ คนนั้นว่าดีคนนี้ว่าดีแล้วเราก็เอามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ามาทำเนี่ยก็ดีแล้วแต่ก็อยากให้คํานึงในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้ตรัสเอาไว้ด้วยว่าการทําดีกันตอบแทนต่อพ่อแม่เนี่ยเราควรต้องทำอย่างไรแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราพอทําได้เราจะได้เป็นผู้ที่ว่าเป็นกุลบุตรที่ได้ชื่อว่าตอบแทนคุณของบิดามารดาได้ ะคะวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยกิจกรรมวันแม่เนื่องในห่วงเดือนของอสัปดาห์วันแม่แห่งชาตินะคะเพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆแต่ก็โยงเข้าสู่ธรรมะในรายการธรรมะสบายๆนะคะว่าตามหลักของพระพุทธเจ้าเรื่องของทิศ6กหน้าที่ของพ่อแม่แล้วก็ลูกมีหน้าที่อย่างไรซึ่งสิ่งำสำคัญที่สุด ก็คือการที่ตอบแทนพ่อแม่คุณพ่อแม่ด้วยการให้อาริยทรัพย์ให้พ่อแม่ได้มีอาริยทรัพย์นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ยอมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ไม่ใช่ว่าจะใช้คำว่าห่างไกลธรรมะมันก็จะจะดูรุนแรงเกินไปแต่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะหรือคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องยากเนี่ยนะคะก็คงจะจะจ ะ, จะงงว่าเอ่ออริยทรัพย์เนี่ยยังมีอยู่หรือ ยังทำได้จริงไหมมันก็คงจะต้องเริ่มต้นที่ความศรัท ธ, ธาก่อนใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องเริ่มที่ได้ฟังก่อนนะนะเราได้ยินได้ฟังว่าสิ่งนี้มันดีแล้วถ้าเราได้ลองใคร่ครวนดูเนี่ยแล้วเราคือเรารู้ว่ามันดีหรือไม่เชื่อว่ามันดีเนะี่ยเราก็จะไม่ไแล้วไม่ไม่มีใจที่จะทำเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำนะแต่ถ้าเรารู้ เราได้ยินว่ามันดีแล้วเรารองก่อนลองก่อนว่า ม, มันดีจริงไหมทําให้มันเห็นผลก่อนประจักษ์ก่อนว่าผลที่ได้จากการทําตรงนี้มันดีไหมนะแล้วถ้าเกิดเห็นผลแล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็สรุปได้จากผลที่มันเป็นนี่แหละศรัทธาเราจะมาเลยมาอย่างเต็มที่เต็มร้อยเลยว่ามันดีจริงก็คือดีจริงเพราะเราเห็นด้วยจากการที่เราลงมือทําผลที่มันเกิดขึ้น แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านได้ลองปฏิบัติตามธรรมะของพระเจ้าดูเพราะว่าสิ่งที่ท่านตรัสเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ท่านตรัสทั้งในสองด้านคือด้านที่ไม่ดีแล้วก็ด้านที่ดีด้านที่ดีท่านก็ให้รีบรีบเร่งพยายามทำส่วนด้านที่ไม่ดีท่านก็บอกว่าให้รีบเหมือนกันรีบละรีบเลิก อ, อย่าไปทามันเพราะนั้น แล้วก็ลองมาพิสูจน์ดูเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยนะเป็นอากาลิโกคือไม่จํากัดด้วยการทําตอนไหนก็ได้แล้วก็ทําตอนไหนผลตอนไหนเนี่ยมันเที่ยงมันเที่ยงหมายความว่าไม่ว่าจะเป็น 2,500 ปีที่แล้วหรือเป็นในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทําปฏิบัติทำตามธรรมะของพระเจ้าเนี่ยผลนี้เกิดขึ้นจากคนเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วปฏิบัติเนี่ยกับคนในปัจจุบันปฏิบัติเนี่ย ได้เหมือนกันได้เท่ากันนั้นก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองดูครูบาอาจารย์นี้ท่านก็เป็นสักขีพยานเราได้เพร้อมอาจจะไม่ได้อยู่ในครั้งพุทธกาลแล้วเราก็อาจจะมีความสงสัยแต่สาวกของพระองค์เนี่ยก็ได้สืบทอดได้สั่งสอนได้บอกต่อธรรมะแล้วก็มีผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนคือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่แหละ ดำรงธรรมะสืบทอดธรรมะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยธรรมะของพระองค์เนี่ยก็ยังที่ท่านในสอนไว้เนี่ยก็สาวกของท่านเนี่ยก็ได้ดำรงไว้อย่างดีครบถ้วนสมบูรณ์จึงมีเครื่องคันตีให้เราเห็นว่าบุคคลผู้ที่พ้นทุกข์บุคคลที่เป็นผู้ยืนเดินนั่งนอนไม่มีความทุกข์อยู่เนี่ยก็มีปรากฏให้เราเห็นได้อยู่ในยุคสมัยปัจจุบันอยู่ เพราะนั้นธรรมะเนี่ยก็ยังดีอย่างครบถ้วนอยู่เนี่ยเราจะปล่อยโอกาสนะให้มันผ่านไปเราจะปล่อยโอกาสที่ดีที่น้อยมากถ้าเราท่านเปรียบเทียบไว้ว่าศา ส, สนาเนี่ยหรือในสมัยที่ยังมีศาสนาเนี่ยเปรียบเทียบกับสมัยที่ไม่มีศาสนานะท่านเปรียบไว้ว่ามันเหมือนฟ้าแลบอะนะก็แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเท่านั้นนะแต่ทีนี้เราอยู่ในช่วงเนี่ย ตรงนี้มันก็เหมือนจะยาวนานแต่จริงๆเนี่ยถ้าลองเอาสังสรารวัตมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันน้อยมากจริงๆเหมือนไฟที่มันเปิดแป๊บเดียวเทา่านั้นมันก็ดับไปซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีมากจริงๆที่เราได้มาเกิดทันยุคนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนี่อย่าปล่อยโอกาสที่เราจะได้สั่งสมบุญเป็นเบือ้องต้นแล้วก็ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงจากการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย แล้วจนได้ปล่อยวางจนได้วางความทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจได้เนี่ยให้มันหมดไปเป็นโอกาสดีแล้วที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองดูได้ลองมาปฏิบัติถ้าเกิดเราไปเกิดในยุคที่ไม่มีศาสนาไม่มีคำสอนอยู่เนี่ยเป็นยุคที่เราขาดทุนนะหมายความว่าเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแล้วเราก็แน่นอนคำสอนต่างๆในสมัยนั้นเนี่ย ก็เป็นจากคนที่มีหัวใจที่มีกิเลสสอนให้เราทำบาปทำอกุศลแน่นอนเพราะนั้นเราก็มีทุคติเป็นเบื้องหน้าโดยมากเพราะนั้นสมัยนี้เป็นสมัยที่ธรรมะอันดีอันเลิศอันประเสริฐยังมีอยู่ขอให้ทุกท่านได้ลองปฏิบัติตามธรรมะดูแล้วก็ให้เห็นเห็นผลประจักษ์อยู่ที่ใจว่ามันเป็นผลยังไงแต่อย่างหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องคานึงไว้เสมอคือ อย่าด่วนตัดสินใจอย่าด่วนสรุปเพราะว่าบางคนเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยผลมันยังไม่ออกเลยแต่ไปคิดว่าผลมันออกแล้วแล้วก็โอ้ธรรมะมันก็นี่มันจะดีอะไรตรงไหนแล้วก็เลิกหลมไปนะอันนั้นมันเป็นความคิดฝ่ายกิเลสนะเพราะนั้นเราจะแก้ความคิดนี้ยังไงเราก็ได้เห็นตัวอย่างของครูบาอาจารย์แล้วว่าท่านปฏิบัติมาท่านเป็นผู้ที่หลุดพ้นได้จากความทุกข์จริงๆ เพราะฉะนั้นมันเป็นเครื่องยืนยันแสดงว่าสิ่งที่เราทําแล้วเราเห็นว่ามันยังไม่ได้ความสุขหรือความทุกข์มันไม่ได้ลดลงเนี่ยโอแสดงว่าเรายังต้องแก้ไขอยู่เราต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องมากกว่านี้อยู่เราต้องเข้าไปสอบสอบถามสอบทวนกับท่านผู้รู้แล้วเราจึงจะได้เป็นผู้ที่เห็นผลจริงๆที่มันประจักฏขึ้นของธรรมะว่าความทุกข์ที่มีน้อยลงจริง เจคะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะคะว่ า, าการที่เราจะปฏิบัติธรรมะหรือว่าการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเราอาจจะฝากอยู่กับลมหายใจในทุกอิริยาบทที่ในชีวิตประจําวันที่เรามีกิจกรรมมีการงานที่จะต้องทําแต่ว่าถ้าเรากลับมาระลึกแล้วก็นึกถึงลมหายใจก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมะทาให้ใจเราเป็นสุขเมื่อเมื่อใจ คุณธรรมหรืออะไรก็ตามที่เราได้ก็วัดได้จากระดับของความสุขในใจเราใช่ไหมเจ้าคะถ้าใจเราเป็นสุขแล้วก็ทุกน้อยลงนั่นก็คือเราก็มาจับทางถูกแล้วเราเริ่มมาถูกทางแล้วก็ถูกต้องแล้วล่ะเพราะว่าการที่เรามีความทุกน้อยลงเนี่ยมันก็สมวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าประทานมาให้แล้วก็คื อ, <ข>อในระยสะสี่นะจ้คะ่ะรู้ทุกรู้เหตุของทุก แล้วก็ทุกนี่มันดับไปได้แล้วก็ข้อดําเนินที่ถึงในความดับไม่เหลือของทุกเนี่ยเราก็ทำให้เจริญแล้วเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นทุกที่มันดับไปเนี่ยก็คือผลผลของการที่เราทําถูกต้องนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตเรามีทุกน้อยลงแสดงว่าเราทํามาถูกทางที่พระเจ้าวางวา ง, วางแนวทางไว้ให้แล้วล่ะเจะ้าค่ะ ในวันแม่โอกาสวันแม่ปีนี้นะคะปี2 5 5 6ก็อยากจะให้ลูกๆทุกคนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ของลูกตามทิศหกตามพุทธดำรรัตของพระพุทธเจ้านะนะคะแล้วก็อยากให้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างถูกต้องแล้วก็ฝาก เรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขในภายหน้าของเราวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมะ ส, สบายแล้วนะคะกราบน้ำมศการพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะเจริญพร